อนาปฏิวานพิคชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอวบคือหนึ่งพันหนรอยยี่สนึกุมารียายุต่ำกว่า20ปีพิคชณีสําคัญว่าอายุครบ20ปีจึงบวชให้ 2. กุมารียายุครบ20ปีพิคชณีสําคัญว่าอายุครบ20ปีจึงบวชให้ 3. ามพิคชนีวิกลจริต 4. ี่พิคชนีต้นบัญญัติสิกขาบทที่1จบ